ทกี้นี้เราได้พูดกันถึงเรื่องเปลี่ยนเสือ้อเปลี่ยนเสื้อมันมีหลายชนิดเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดก็มีระวังให้ดีนะเ อ, อี่เปลี่ยนเสื้อคนเอาเสื้อสัตว์มาใส่ก็มีนะ่ะระวังเออี่เน น, นั่งอยู่เวลานี้นะสมมตินะ่ะมันจะน่าขยักขย่งไหม เรานั่งเวลานี้เราใส่เสื้อมนุษย์เดี๋ยวไปเอาเสื้อหมามาใส่เขล้วยุ่งน่าเหน็บเราต้องคิดการพูดชนี้กรุณาจะถือว่าเป็นการต่ําเป็นความต่ําเป็นเรื่องความจริงที่เอามาเทียบเทียงให้ทราบว่าความสูงความต่ําเกิดจากความดีและชั่วที่มีเหลื่ยมล้ํากรรมสูงต่างกานาันภายในจิตใจของสัตว์โลกเราจึงต้องเทียบให้ฟังเนี่เราเทียบไปใกล้นี่มันก็น่าขยะกขยงแล้วแล้วเรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าหากว่าเรา ถ้าหมาในตัวเองเคยสูงแล้วมันจะต่ําลงไปได้เคยดีแล้วมันทั่วลงไปได้นั่นแะหละพยายามที่จะให้ดียิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลํำดับถ้าเปลี่ยนเสื้อกอ็เปลี่ยนเสื้อที่ราคาเท่านี้ขึ้นราคาเท่านั้นเสื้อคุณภาพของมันเป็นดังนี้ลเลื่อนคุณภาพมันโดยลําดับตามคุณภาพของจิตเราที่ดีมากน้อยนั่นแหละคุณธรรม คุณภาพคุณธรรมที่มีอยู่ภายนจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุที่จะทำให้เปลี่ยนสภาพขึ้นไปเรื่อยๆถ้าว่าคุณธรรมไม่ค่อนมีมันก็เป็น ป, ป, ป, ปาปาธรรมนั่นเขาแช่จะภานจิตก็เปลี่ยนลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนเสื้อดีเป็นเสื้อขาดไปละเปลี่ยนเสื้อคนเป็นเสื้อสัตว์เป็นเสื้อเตเสื้อผีเป็นไปได้หมด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 สติแล้วต้องขีดขึ้นมาองพยายามอบรงพยายามตั้งสติตั้งท่าตั้งทางเช่นเดียวกับเราเดินไปในสถานที่ไม่ปลอดภยัยเช่นเป็นฝากเป็นหนามเป็นต้นเราต้องระมัดระวังความระมัดระวังสร้างจิตตั้งใจเดินตั้งจิตตั้งใจระมัดระวังนั่นแหละท่านเรียกสติเช่นเราระวงังจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่อเป็นทางไม่ดีขาดกับ ความต้องการของเราที่จะให้จิตมีความสงบในเวลาภาวนาเป็นต้นอย่างนี้ภาวนาระวังเช่นนี้ท่านเรียกว่าสติเราพยายามระวังเสมอพยายามอบรมความระวังนี้ให้มากขึ้นคือความระวังเรื่อยๆมันก็เป็นการเป็นความเคยชินเคยจริงภายในตัวเองแล้วกค่อยรู้เรื่องรู้ราวมีสติเป็นพื้นขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้ จากสติที่ล่มลุกคลุกคลานจากปัญญาที่ล่มลุกคลุกคลานนี่แหละคุณสอนให้อบรมคุณสอนให้บำรุงสติโดยลำดับนี่พวกเรามันอยู่ในฐานะที่จะต้องเปลี่ยนเสื้ออย่างที่ว่านั้นพราะกดบังคับมีอยู่ภายในใจเแม่ตัวเองจะไม่รู้ก็ราตามกดอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับ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 แต่เราไม่สามารถที่จะทราบสิ่งลึกลับที่มีอยู่ภายในตัวของเราจึงเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนอนใจไม่ระมัดระวังโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีบ้างทั้งๆ ท, งที่ท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่ามือสิ่งนั้นเป็นภยัยแล้วเข้าใจว่าเป็นภัยบ้างทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นเป็นภัยมีอยู่ภายในใจของเราด้วยนี่แล้วทําให้ประมาทนอนใจแล้วเกิดแล้วเป็นความไม่สนใจด้วย แล้วเป็นความเข้าใจดียิ่งกว่าท่านผู้รู้อีกด้วยเรารู้เข้าใจว่าเรารู้ดียิ่งกว่าท่านผู้รู้ด้วยทั้งท่านที่โง่ที่สุดแห่มันก็อยู่กับคนโง่นี่แหละที่อวดตนว่าลาดผู้ที่ชนะจริงๆแล้วท่านไม่อวดคนโง่มักอวดชนดเสมอไม่ว่าใครๆมักอวดนี้เราพูดในเรื่องของธรรม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 สอนพวกเราก็นําเรื่องของพวกเราออกมาสอนแบบแม้จะยกเรื่องของผู้ใดขึ้นมาสอนก็ตามเรื่องนั้นเป็นอย่างเดียวกันเห็นความโลภนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงถึงเรื่องความโลภความโกรธความหลงท่งานจะแสดงเรื่องของบุคคลใดก็ตามก็คือเรื่องของเรานั่นแหละสําหรับเราพูดทั้งใจจะศึกษาเพื่อขอดเพื่อคอนเพื่อส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยกันทั้งนั้นมาจากนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลก ถ้าไม่ได้มุ่งต่อผู้หนึงผู้ใดผู้ที่ไม่ได้มุ่งไม่ได้ถูกมุ่งนั้นก็จะไม่ได้สำเร็จสำเร็จมาผลนิพพานอะไรได้เลยหากจะสําเร็จก็หรือได้ผลได้ประโยชน์ก็จะได้เฉพาะผู้ที่พระองค์มุ่งอ่ะเรายกตัวอย่างนี้แต่นี้ทาไมเวลาประธานพ่อาว่าแต่ละครั้งๆปรากฏว่าได้รับผลประโยชน์ตลอดถึงมรรลุมาผลนิพพานมีจำนวนมากมายห่ายกองเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเรื่องความจริงเหมือนกัน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 ธรรมะเหมือนกันพิเรน อ, อาสาระเหมือนกันพระพุทธเจ้าประทานให้แกกผู้ใดก็ตามบรรดาผู้มีความสนใจที่ที่จะหวังผลหวังประโยชน์จากการฟังก็ต้องในราบเหมือนกันถ้าเราจะสะแสงดูโทษซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราเราก็ควรจะทราบได้อย่างแทงัจริง ทำไมจะไม่ทราบว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตัณหิติเตียนนั่นมีอยู่กับไผ่ถ้าไม่อยู่กับพวกเราที่มีกิเลสนี้น่ะแต่เมื่ออยู่กับพวกเราแล้วเราทําไมว่าไม่ทราบว่าอันไรเป็นกิเลสถ้าทราบว่าอันอันนั้นอันนั้นเป็นกิเลสกิเลสเป็นไผ่เขาจะต้องมีความกลัวมีความขายะกขแยง เ ม, มื่อท่านสอนมีธีละก็จะต้องรีบนํามาปฏิบัติต่อสิ่งนั้นแล้วได้ผลขึ้นมาโดยลําดับนระการหนึ่งประการหนึ่ ง, งสิ่งที่มีในตนก็ให้ท่านสอนทาไมโง่ให้ท่านสอนทำไมมันมีด้วยกันทุกคนสติปัญญาก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ไม่ทราบนี่นี่แหละท่านจะเรียวกว่าพวกเราโง่เยียบย่ําไปมาอยู่กับความจริงทั้งหลายก็ไม่ทราบาพยายามเปลี่ยนเสือ้อ เปลี่ยนเสื้อเรื่อยๆเอาจนกระทัง่งถึงเสื้อทันสมัยเลยไม่ต้องไปหามาจากเมืองนอกเมืองงาที่ไหนกันสิ่งใดส่วนส่วนมากชอบเป็นทันสมัยแล้วก็ต้องออกมาจากเมืองเขาน่นเมืองเราไม่มีเพราะไทยเราถึงไม่มีอหน้าคิดอยู่มากนี่สติปัญญาเราก็พอมีมือเท้าเราก็พอมีทําไมมัน มันถึงไม่ทันสมัยมันไม่ทันที่หัวใจของกิเลสนั่นเองคือง่ยถ้าจะพิจารณาตามเหตุตามผลไปแล้วมันทันด้วยกันอา่าหรือย่นเข้ามาพาณะอีกให้ทันสมัยนั่นคืออะไรเปลี่ยนเรื่อยๆด้วยสติปัญญาคือเปลี่ยน อ, อารมณ์ส่วนอยากด้วย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 ทักจะทราบขึ้นมาโดยลําดันแบบนี่วันนี้จิตชักยุ่งหนักแต่ก่อนนั้นก็ยุ่งอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบแต่พาราะเราปฏิบัติภาวนาชนะักยุ่งจนะิตชักยุ่งแล้วอจิตกระทบกระเทือนอะไรไเร็วอะไรมาสัมผัสคอจะกระทบกระเทือนพตชกรขอไฟมันเป็นหลังหมีมันดํำหมดมันไม่รู้อะไรมาถูกมันก็ดําไปด้วยกันหมดมันมัน ด, ดํามื้อเต็มที่อะไรมาถูกมก็ดำไปหมดแต่พอมี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 เราก็มาคิดกันว่าโอ้แต่ก่อนเราไม่ภาวนาก็เไม่เป็นอะไรพอภาวนาในจิตชักเป็นนั้นชักเป็นนี่ชักรู้นั้นรู้นี่ก็ทบกระเทือนได้เร็วความกินความรับรู้ของเรามันท่องแคล่วขึ้นมาสติมีพอจะทราบเรื่องความรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ค่อยทราบเป็นลําดับยิ่งจิตมีความสงบเยือกเยน็นโดยลําดับลําดับและจะมาทั้งเป็นประจํา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 อย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสจิตต้องเรานําสิ่งนั้นนั้นมาคุมคิดต่างๆจนเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาใจก็ทราบว่าวันนี้ใจไม่ใช่ดุจใจมีสิ่งนั้นแต่นอารมณ์ถึงนี้เป็นอารมณ์ก็ทราบนะ่ะคําทราบทงนี้ละ่ะเป็นสักขีปะยาอนหนึ่งแห่งการปฏิบัติของเราที่จะทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มันทราบได้รวดเร็วยิ่งกว่านี้และแก้กันได้อย่างรวดเร็วเพียงขั้นความสงบของจิตมันก็ทราบเนี่ย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 ความสัมผัสจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายข้อตา่านงะจะไม่เหมือนที่จิตสัมผัสเรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเองจากผลแห่งการชำระมาโดยลําดับแล้วปลาโปรดมีความสงาา่าผ่าเผยมีความสงบเยือกเย็นมีความโปร่งใสเป็นสิ่งที่ไม่จืดจางด้วยทําให้มีความละเอียดละออมีความอะไร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 เหมือนก็บเราเปลี่ยนเสื้อขึ้นเป็นเสื้อทันสมัยนั่นเองเปลี่ยนเรื่อยๆไปอย่างนั้นความส ง, งา่าผ่าเผยก็เปลี่ยนอาการเข้าไปอีกเป็นความละเอียดเข้าไปอีกที่เพูดถึงว่าสวยงามก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนนตามกันหน่อยจนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อัศจรรย์ก็เปลี่ยนอัศจรรย์แค่นี้อัศจรรย์แค่นั้นแตกประหลาดแค่นี้แตกประหลาดแค่นั้นในขั้นของจิตจนกระทั่งถึงเป็นความอัศจรรย์ยิ่งเลยสมมติทั้งหลายไปเลย นั่นนั่นความอจาจรรย์อันนั้นเป็นความอจาจรรย์นอกสมมุติอีกเพียงความคั้นอจาจรรย์ในสมมติมันก็ยิ่งกว่าความอจาจรรย์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วะฉะนั้นเราควรจะทราบว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ก็คือความรู้และใ่ใจของเราควรจะรับการเหลียวแหล่เช่นเดียวกับอิการหรือวัตถุสมบัติอื่นๆใ อ, อย่างน้อย ยิ่งอยู่ในวัยเราที่จะต้องทราบจากผลแห่งการบวกลบความเป็นมาของเราและเป็นไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ยิ่งจะให้เกิดความสนใจต่อคมบัติคือใจนี้มากขึ้นและเกิดความสนใจทางการพัฒนปฏิบัติการรักษาตัวเองการอบรมตัวเองให้มีน้ำหนักมากขึ้นโดยลํำดับลาดั บ, บยิ่งกว่างานอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้ว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 เวลาจะเป็นจะตายเราคิดไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะอันนี้เองเป็นตัวประกันแห่งการเปลี่ยนพบเปลี่ยนธาตไปสู่ภพใดแดนใดหรืออยู่สถานที่ใดจะได้เฉวยผลเช่นไรก็บอกอยู่แล้วในผลซึ่งขณะที่รับอยู่รู้อยู่เวลานี้เนี่ยอยู่กับอันนี้ทราบเล้วไม่เดือดร้อนไม่เสียใจแค่ตอนนี้ก็เรียกว่าวเราได้ความมั่นใจ สมบัตินี้เป็นที่เป็นที่แน่ใจสมบัตินี้ไม่หลอกลวงสมบัติทิ้งนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวเพื่อติดกับใจไม่เหมือนสมบัติอื่นๆซึ่งมีความดีใจในขณะ น, นี้แล้วก็เสียใจในขณะต่อไปคือต้องมีการพรับทากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างทันวะยำติดถังนราปฏิทาผิดถูกขังแต่ปราถนาไม่สวังก็เป็นภูษ์เนี่ยได้มาแล้วก็เวลาพับทากจากทันก็เป็นภูษ์อีกแต่ สมบัติที่ว่านี้ไม่เป็นเช่นนั้นตรงข้ามแน่รับตัวไปเลยเนี่ยที่ว่าสมบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประธานโอวาทแก่บรรณาศักด์ก็เพื่อจะให้นำโอวาทนั้นๆเข้ามาปฏิบัติต่อจิตใจที่เป็นสมบัติสาคัญนี้น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 ทเวรคติธรรมะใจผู้ทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมทำที่ไหนมารักษาเราออาเราคิดดูตรงนี้ทำในกคำพีนั้นเหรอออทำในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เหรอเราเรียนทำมาจากนั้นมาปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาจากการปฏิบัติปฏิบัติตัวเองเพราะได้ศึกษาจากทำในตาหนักตำรานั้นทำอันนี้แหละที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติของเราประจักษ์อยู่ภายในใจนี้แหละ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 ชงเสริมสมบัติอันนี้ให้ได้ประจับอย่างน้อยให้เป็นความเย็นใจเถอะอันนี้เป็นที่แน่ใจที่สุดเป็นที่ตายใจได้จริงๆเพียงจิตใจมีความสงบเท่านั้นก็ปรากฏเป็นความเย็นใจขึ้นมาแล้วเป็นหลักขึ้นมาอันหนึ่งในพยายามอบรมคุ้นเรื่อยๆความสงบนั้นมีเป็นรากเป็นฐานมีความมั่นคงในละเอียดออก็เป็นลำดับๆยิ่งเป็นความมั่นใจ ท่านหลักผู้ปฏิบัตินั้นนั้นเอาเพรานพิจารณาทางด้านปัญญา <_ Media> เพื่อจะเบิกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มหอ่อภาในจิตใจนี้ออกอะไรมาปกคลุมกับความยึดมั่นถือมั่นความสํา ค, ค, คัญผิดขอ ง, งตนเองนั่นแหละกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองมาปกคลุมจิตใจใชเองความสาคัญมั่นหมายความถืดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะไม่รู้ในสิ่งใด จึงต้องยึดมั่นถือมั่นเนี่ยท่านก็สแสดงออกไปยังภายนอกก็มากมายการกรองรูปเสียงกลินรถเครื่องสัมผัสเนี่ยผู้คงกว้าง น, นั้นนี่รูปรูปอะไรแล้วแยกขยายไปเต็มโลกเต็มมังสารรูปหญิงรูปชายรูปพระประดุสิ่งของสมบัติเรือนทองนั้นเรียกว่ารูปทั้งนั้ น, นเสียงเสียงอะไรเอาา้าว่ากันไปเรื่อนี้แห ล, ละที่จิตไปสําคัญมันหมายกับสิ่งเหล่านี้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 ถึงสิ่งสำคัญที่ติดแนบ่กับตัวของเราที่เราถือว่าเรามาตั้งแต่วันเกิด <Hey. S 1> ผมก็ของเราผมก็เราขนก็เราเล็บ ก, ก็เราฟันก็เราเมื่อน้งกระดูกทุกสิ่งทุกชิ้นภายในร่างกายนี้ก่เป็นเราและเป็นของเรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่ติดแนบมากทีเดียว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 ความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามเมื่อเกิดขึ้นทางทางร่างกายก็ดีทางใจก็ดีจะถือเป็นเราถือเป็นของเหราของเราทั้งนั้นอีกเราเป็นทุกผุกเป็นเรายุ่งไปหมดเราเป็นสุขสุขเป็นเหนาอะไรแล้วก็เป็นเหนาหสัญญาความจำก่าเราจำ อะไรกันเราจําความจําเป็นของเราเนี่ยสังขารของเราคิดเราปรุงดีชั่วก็เป็นเราเ อ, อคิดกันยุ่งจนแทบล้มแทบตาเพราะความคิดมันก่อความวุ่นวายก็ยังว่ า, วาเป็นเรา น, นเห็นไหมละ่ะมันหลงอย่างนี้เองวิญญาณนับภาพอะไรเป็นเราทั้งหมดเ อ, อได้ยินอะไรแล้วเราได้ยินถือเอาคำว่าได้ยินนั้นเป็นของเราเข้ามาอีกมากองอยู่ภายในจิตจิตจึงแย่อะไรก็ขนเข้ามาอะไรขนเข้ามา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 หูปังอา น, นิจังนั่นพอจะแยกไลยนะมันไม่เที่ยงหูปังอนัตตาเอาสรุปไปถึงอนัตตาเลยออาอ น, นิจังก็ทุกข์ขังมันก็ทุกข์ก็เห็นกันอยู่แล้วอนัตตาถือเอาเป็นตนที่ไหนฮฟังแต่ว่าอนาัตตนัตตาอนัตตาอนาัตมันไม่ใช่ทั้งนั้นเรายังจะผืนความไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่หรอนี่ปัญญาใช้อย่างนั้น พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริง <c oughs> เห็นจริงแท้ๆ ท, ทาไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าวะรูปังอนัตตานะเรื่องนถือว่าเป็นอัตาอตาตาเป็นจอมจอนอยู่เหรอท่านผู้รู้แท้ๆเป็นผู้สอนเราทําไมเราไม่เชื่อเราการที่พูดทางธรรมสนากรชามิไปทําไมเมื่อเราไม่เชื่อคําว่ารูปังอนัตตาเบทานาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนี่แล้วยังจะถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราอยู่แล้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าไปทําไมอืม เล่ากาถึงพระเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นทันนะนั้มีความหมายอะไรถ้าเราจะมาเชื่อค ว, ความจริงคือธรรมที่พระองค์ประทานไม่นี้ว่าเป็นความจริงตามที่ประทานมาควรจะละความจอมความของตนเองให้เห็นตามความจริงทังท่านว่านี่แหละเรียกว่าปัญญาแย่ๆอย่างนี้พระพุทธเจ้า ว, ว่าอย่างนั้นในความเห็นเราว่าอย่างนี้เอาแยกลงไปให้เห็นตามความจริ ง, งอนาตตาอนาตตาปฏิเสธตลอดเวลาถ้าเป็นภาษาเราเขาเรียกว่าตีข้อมือไว้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 ทุกเกิดขึ้นทุกดับไปทุกเป็นไตรลักษณ์เนี่ยรูปเป็นไตรลักสัญญาเป็นไตรลสังขารเป็นไตรลกษณิจยานเป็นไตรลัให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นความจริงอันหนึ่งหนึ่งให้รู้แล้วถอนตัวเข้ามาอยู่เป็นอิสระอย่าไปยุ่มอย่าไปแบกไฟหามนี่เรียกว่าปัญญาคนดูให้มันชัดเจนเมื่อมันพิจารณาสิ่งเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วมันไม่ไปไหนมันจะหมุนทิ่มเข้าไปสู่จิตตัวร่มรุ่มหลงสําคัญนั่นแหละนั่นละบ่อแห่งอวิชชาบ่อแห่งความเกิด บอยอความเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนแสงเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติเปลี่ยนอยู่ที่ตรงจิตนั่นแหละอ่าเอา้าสติปัญญาค้นเข้าไปทําลายมันเอ่ารังของวิชามันอยู่ที่จิตฝังอยที่จิตแยกออกไปหมดแล้วด้วยสติปัญญาทางฝ่ายขันย้อนเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างข่าลาอวิชาปัจจยาจริงๆมันมาจากไหนใครเป็นอวิถชาอ่า ทำไมใช่ผู้ที่รู้ซึ่งเต็มไปด้วยความหลงฝังอยู่ภายในตัวเองนั้นปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปให้เห็นธรรมชาติอันนี้คืออะไรมันก็ไตรักดีๆทั้งเด่นตัวขี้เล็ดสนาวิชาก็าดีจะเป็นอะไรฮะนั่นถ้าพิจารณาตรงนี้ตอนนี้เรียวกว่าพิาจารณาจิตเป็นใจรักเช่นเดียวกันไม่ผิดถ้าจะถือว่าเป็นตนแล้วอา้าวเรากินปลาทั้งกล้างแล้วฮะกินไก่ทั้งกระดูก ระหว่ากินข้าวทั้งเปลือกแล้วแล้วไม่ อ, ออกก็ไม่เลือกที่ว่าจิตเป็นไตรลักในตอนนั้นคือจิตมีสิ่งที่เป็นไตรลักคลาดงาอยู่นั่นแ่ะเราจะถือว่าจิตเป็นตนในขณะนั้นมันถือไม่ได้เพราะต้องพิจารณาตรงนั้นให้มันเห็นความจริงของไตรลักซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราเห็นแต่ความแต่ตรายรักที่มีอยู่ตามาตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เราไม่เห็นไตรักคือธรรมาชาติอันละเอียดมากแห่งสมมติมันฝังอยู่ภายในจิตจึงต้องพิจารณาจิต เช่นเดียวกับพิจนาอาการทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาทังสารวิญญาณให้เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันดูให้มันจริงด้วยสติปัญญาสิ่งที่มันไม่ทนทานอยู่ได้ด้วยอานาจของปัญญาเป็นผู้ทาลายมันจะจะลายตัวลงไปจะแต่กระจายลงไปสิ่งใดที่เป็นความจริงโดยธรรมชาติตัวเองแล้วสิ่งนั้นจะคงอยู่เช่นผู้รู้เมื่อสิ่งที่จอมความทั้งหลายจะลายตัวลงไปแล้ว ผู้รู้นี้จะทรงตัวอยู่กลายเป็นผู้รูที่บริสุทธิ์ขึ้นมาผู้นี้ไม่ชิบหายผู้นี้ไม่เป็นใจรักนานใจ่างหมดปัญหาในขณะที่กิเลสอาสวะทั้งหมดซึ้นสุดไปจากใจธรรมะใจรักภาในใจจึงหมดไปเรื่องอะไรจังตุกขังาตามภายนอกก็าตามภายในก่อาตามตามรูปเสียงกลินรสกลองทั้งรูปเบญทราสัญญาทั้ญญญญขงขาทั้งยางก่ตา ม, าตา ม, าตามหมดปัญหาไปหมดเมื่อจิตได้พ้นจาก